อนาปติวนันภิกษุณีต่อไปนี้ไม่ต้องอบัตรคือ1239 1. พิกภิกษุณีผู้เป็นไข้สองภิกษุณีขอได้มาเมื่อตอนเป็นไข้ฉันเมื่อไม่เป็นไข้3าภิกษุณีฉันนมเปรี้ยวที่เหลือเด่นของภิกษุณีไข้สี 4. ภิกษุณีฉันนมเปรี้ยวของญาติ5้ภิกษุณีฉันนมเปรี้ยวของคนที่ป ร, รณนาไว้6กภิกษุณีออกปากขอเพื่อผู้อื่น 7. ภิกษุณีจ่ายมาด้วยทรัพย์ของตน 8. ภิกษุณีวิกลจริต 9. ภิกษุณีต้นบรรยัตปาทิเทศนิยะสิกขาบทที่ 8. จบ